จะถัดข้อในตทางกัปฏิบัติของเราต้องโหลดบททำอะไรที่เราเคยปฏิบัติมา เราเราพันยาวพูดถ่อไหมพูดทีไหมสงใจันอย่างนั้นส่งใจันอย่างนั้นที่พวกเราก็จะพูดูีดไปแล้กจะมีสงบเป็นอย่างนี้าจจะทำจนถึงตารแตับราฝังทันที ใจของเราท่ uh huh. าารตั้งไวดีๆทำหที่มันเกี้ยไปก็จะไหลทําจิตใจของเราอาหาลองเย่งเราข้ามาทำหนักมันจะเก็ี้ยเงียังรุ่งวันเยี่ยงข้ามคงมีการบวไหลออกไป่าจิตใจของเราได้จนีึงวร การใจของคนเป็นฐาะนะรองรับธรรมะที่เราพุทธเจา้าเล้สอนดูอาจารย์นำมาอธิบายจิตใจขอ ง, งพวกเราทั น, 3, นเป็นของคำหัดดนเป็นของคุณได้แต่เหลือที่สที่คจะฝึกในเมงใจของตัวที่ัวที่เสียออบอกชัดเลยว่าคนนั้น ฝึกภูมิใจไป็นทางที่ดีที่จะหย่อนเอ็เอียงไปตามเลือกตัวและต่างๆพบทับทั่วเส้นกอ็นนอกจากตัวเองผมท่านตัวที่ไม่คิดยังใจขอตัวมาก่อนนะครับแร้ไปถูกคนอื่นทับวนหลวมยุไปรเสายตันใหญ่ ใจ้องดันได้นะทางดีก่อนเพราะจิตใจของเราก็จิตใจของเราติดและมีตูวมีอาการมีนิสัยรับส่วนผู้มีนิสึกบรมทางดีจิตใจก่อนหน้าวันจะดีวิเิดขึ้นจิตใจอันเดียวแตเดยองได้ทางดีและทางชั่ว วาการเกตดอบรบตัวแวต่มันจะดีไปเองจะชั่วไปเองเพราะการสะสมเป็นจำรวนมากจิตของจิเขอางงใจมันมีการสะสมอะไรมันกลดเฉยเฉยเไปตามเรื่องของมัน มือนอย่างเดต่อมเงินตัโตเป็นหลุมเป็นสาวอนี้ทีของจิตใจคือเคยดัยินจากคนอื่นเขาปูกเขาปูนตัเองคิดหนึงคูนไปไปเรี่อยตามอารมณ์ไปตาเป็นตัวใหญ่อะไรค่ะงเดวกขอบคุณคนเลาคิดไปอยู่แค่นึงนงเป็นใา้เป็นเงมส่ายกันิยัด เคยพูดจากรายใสในการศึกษาเราเรียนสำหรับคนลากรดติร้อบในส่วนนั้นหาเป็นฝ่ายปฏิบัติเคยติดขัดรวบรวมไทยจิตใจดูเห็นเป็นสึ่งจากการปฏิบัติของตนอย่างไรจึงถู่ควเพ่งเลยเล่าในชั้พวกเพน่อนฟัง มุทิตีนินสัยอบจิตในทางปฏิบัติส่วนมากอาจะนำสิ่งเหล่านั้นไปฝุดร้องตัวอเองนเห็นเป็นสิ่งนิจัยใจนิสัยชื่ว่าเป็นของอ่อนน้อมไปในทางขัวทางเสียก็ได้น้อมไปในทางดีก็ได้ใจเป็นของฝุดได้อย่างนี้นั่นคือใจ้า อย่าง right ้สอนในวเราฝึกวมตัวเราชอบดีก็ฝึกไปในทางที่ดีก็ทางที่ดีเท่านั้นท่จะทำให้ความใจของพวกเราท่านมีความสงบเยือกเย็นความสงบเยือกเย็นของจิตหาเราเห็นเราเปนจากการปฏิบัติของเราเราจะปทับใจความสุ อื่นใดในโลกจะเสมอเหนือนความสุขของใจที่ได้สัมผัสจากอัตถิอย่างนี้ไม่มีเพราะความสุขส่วนนี้เป็นความสุขที่เกิดในตัวเองไม่เกี่ยอานิภายนอกเป็นความสุขของใจโดยเฉพาะและจะมีความขวัอารมณ์ทั้นยา เสียงเรื่องราวต่างๆแต่เสียเวลาจนวมปล่อยใจทั้งตัวไปอยู่ในอดในคํามผมมีความสุกเรี่องขรอบครวี่อยู่แล้วไม่ต้องไปหาดูหาฟังฟังอีกเพื่อจเรื่องที่เกเสียงเงี้ยเสียงฟ้นเสียงฝนที่จกิ เราเรียนหงตามตัวเคมีครูอาจารย์หลายท่านละสอนอย่างกิษวิธี่ได้พอแล้วแต่นิสัยของเราชอบไม่ใช่ว่าถ้าสอนผิดแต่นิสัยของเราไม่ชอบในเรื่องเหล่านั้นก็เลยรู้ว่าเรื่องที่การสอนเป็นเรื่องผิดไม่ใช่การสอนผิดอย่างนั้นเหมือนกันกับย่างที่ต้องปรุงขึ้น เจอสาโรบางคนกวดยาเชือดยาขนาดหนึ่งบางคนกหโดยามีขนาดหนึ่งทั้งยายนั้นมีคุณภาพเหมือนกันสามารถที่จะรักษาโรคไข้ไข้เจ็บไตไตของโรคอีโุษฎีน์คนเจ็บต้อหายได้แต่เราพบโรคมีหลายประเภทจิตใจของคนกเหมือนตันที่ผันนมาแล้วน ทางนันงน้นทางนี้เปีาา่ยเป็นทางดีในการปลูกการกระดิกนิสัยให้ตัวของส่วรที่จะนามาพิจารณานานมาแยให้ตัวส่วนใดที่เป็นไปดความถูกตามสบายเป็นไปเกี่ยถูกต้องตามนิสัยให้ตัวที่แนสอน่านามาพิจารณาแงะเป็นตาราจิตของตัว ไฟแรงรารับแบบที่เลกจุดใช้ถุงเทปดูให้รับความอุ่นว า, ายะไรใจการสิดใจเป็นของควดดาได้เหลือดีไส่ของคูดติดต่อดิดตัวรวมตัวฉะนั้นการสิดใจต้องนีใจอุ่นตอกจากตัวของตัวจะปึกคนอื่นเพื่อจะบอกสอนวิธีต่างๆ ตัวของเราเองในดับรับฟังกได้จืตัวของตัวเองกางจุดตัวการอบรมตัวพเจ้าหรือว่าเ็นนาที่ของคนทุกคนจองอบรมเพราะถาเราไอบรมแล้วจิตใจนั้นจะไม่มีวันเวลาที่จะมีคุณค่ามีวันเวลาที่จะ ได้รับความสุขความสบาย น, น, นี้มีจิตใจสมเอียนไหลมี่นเพราะในได้รับความสุขความสบายจากจิตใจนั้นดังนั้นพวกเราทา่านการสวดมนต์จิตใจอกฮากันมุ่งหวังจากจิตใจตอบรมหรือเคยอบรมสืกฝนตัวมาพอต้องควรแล้ว ส่วนใดที่เปนไปกับความสุขความสบายของความสุขอบรมและอยากสุดในความสุขความสบายเราเองพอจะเห็นฐานได้กับความสุขความสบายส่วนนี้เป็นเรื่องที่ว่าที่เหลือกังขายังมีหรือหมดไปถ้าหาว่าที่เหลืกังขายังมีอยู่เราควรควมจิดอยู่ในความสุขส่วนนั้นควรจะพิจารณาแกไขดัดแปลงจิตใจ จนให้หลุดลอยไปจากที่เหลือต่างหากจนถึงที่สุดไม่มุดไม่พานดีจิตใจต่อสิ้นขั้นใดตัวเองควรจะต้องทราบนต่สิ้นขั้นนั้นเป็นอย่างไรถึงธรรมะจะไม่ปิดบออความเป็นความจำผัดขช้ใจเราได้รับความเงลี่ยขนาดอย่างไรเราก็รู้จักเราโดละได้ถอนอย่างไรเราก็รู้จัก อางนี้อยู่หรือหมดแล้วเราควรรู้จักอีกง่ายๆธรรมะในการสอนแบบคนงงแอนคนหลงคนผูที่ไม่พิจารณาจะต้องสรางมีระยะจิตใจจิตอยวา่างละขอนอะไรมีความจุความเบาสบายอย่างไรจะต้องสรางจากการปฏิบัติของใจตัวเองกาปฏิบัติโดยส่วนใหญ่คนที่สุกใหม่หรือคนที่ ยัไม่ควรที่จถึงขันนิปัานสอนเรื่องมาธาก่อนจิฝึกอบรมใจให้สงบจากอารมณ์ขันยาเกิดการกำหนดพิจัาขวดดีดกวยการกำหนดบทวนยึตามขวดดีทำจที่จริงแจ้งแจ้งรู้สึกดีใจผง ยึดยึดใจใจสงบรวมตัวลงไปมีความเบาใจเบาใจมีคมสว่างสวางมีคามอัศจัร์ความสุขความสงบมันเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นคยเจมาก่อนกิดจากจากการเห็นการสิ่งเราเห็นเราเจออยู่นี่คือมสงบความรวมรวมท้องใจ ทาลงรวมควาใจนี่และเป็นเบงต้นที่จะเห็นเราเชื่อมั่นกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงคงวาอยู่เรายังมีอิิยยังมีการปฏิบัติปฏิบัติจะได้ดีูเพราะเราเห็นเราในการปฏิบัติขอเรารวมนเห็นาจาเียนอยู่นี้ เพียงแต่ท่านสงบรวมรวมแถนี้จิตใจจะเชื่อมั่นในคาสอนของพระพุทธเจ้าและอยากจะตัคทักอยากจะบาเพ็ญยากจะเห็นเี่ยเตียนจนเมื่ออยากจะนึกคิดไปเรื่องอนเพาทําสุขของความสงบววมนี้เป็นความสุขเพียงพอบริบูรณาคิดการเห็นที่เราแจงหนึ่ง เลยขาดยังไจะที now, ่แบบย่อเพื่ออาจารยอย่างนี้ย่อพอเาจารย่นง้ท่านจิตวบสิตในท่านสมาธิคีอจิตในความสุขความสงบความปล่อยวางลงรวมข้งใจขอนขึ้นมาเมื่อใดควอยากจะข่มจิตข่มใจใจลงรวมอยู่อย่างนี้นี่คือการสิขในความสงบของใจสมาธิ แต่จิตสมาธิก็ย we ังอยู่แตจิที่เหน็ดสั่นหาพมีทางที่จะได้ความสุกความสบายพหน้าชานลามมีความสุขแบบความดีส่วนี้เราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราอยู่เป็นทางที่ดีอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ทางละทางข้อนที่เห็ดกั่นหาเพียงแต่เป็นที่พักที่อาศัยของิต สุขีมีเพื่อนฐานทำเสร็จออกมาแล้วถ้าสิ่อย่างนะก็เป็นการหลับเสียเวลาในการที่เจรนาต่อไปพอถอนเสร็จมกพให้ยิี่เจรนาเอาไว้เลยว่าต่างต่างแก่แก่ายจิตใจจิตค่าจิตจิตรวมรวมในกองที่รณาอะไรเชยงบริกรรมก็รวมรวมได้สุขีสุขในการบริกรรมเน ขาิจิตนะไปทิเจราะอะไรการถอดถอนจะนมมีมีแต่ควสงบเย็นอยู่ภา ย, ย น, น, นถ้าทิ่เจราะนาะพอถอนเึ็นมาพิ่เจรณ า, าวายวะัตต่างๆเจรณาเหยีดาดายีขันใเห็นกามเป็นกินท้อมันเป็นขาดเป็นขันไม่มีฝมีุคค ความยึความผูกความหลงติดไหมเพราะเราไม่มที่เจนนะเงีายใจหายใจเห็นใจตามเป็นจริไมจรที่เรียกว่าตัดบุคคลนี้ยังเป็นขาดเจนขันอาศัยการรวมกันอยู่เท่านั้นเมื่อแตกออกไปหยุดหายจะนม่มีตับุคคลจะไม่มีจะไปตามหน้าที่ของขาดเท่านั้น ความเข้าใจชัดเจนเห็นแจ้งใหญ่จะไปหลงยิ in, งนดีควาหนักเพลิดเพลินในรูในเสียงในเรื่องต่ตางๆยอมหายใจจากใจมีดังที่ว่าการที่เจรน า, าทงางวอปัสสนาใอใจเห็นเย็นชัดวิละบอนได้ก็้รงอาศัยสมาริมีความเปานเนื้อท้องใจในปอดถ้าไม่มีความเง็น้อที่รนาจะไปเห็นทางล การถอนการปล่อยการวางเชื่อว่าจจิตในใจของตัวนั้นเคลนไปไหนได้มันคือเหตุสายเของสมชาติสมชาพอดียุปัสจุบัพอดีก็มันดูมอยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวของพวกเรานี bedeutet, ine, ่อางจิดข้องของใจก็คือตัวของเราไปติดข้องความเจริญถอนกัตัวของเราเจรละถอนพิจารณาลงที่กายหรือว่ิ อย่างเยชนาสุญญ์อันตรเข้ถ้าผู้ศิลป์จะจีประถานการกหนดกายที่เป็นสปลาเป็นกำหนดเวลาไว้ก่อนเยนากายนิ้มสะกดต่กางในสติปัญาสิบคนในสิชั่วคนเนแต่เราในเข่านี่ก็คือความเชื่อามเชื่อในจิตในใจผลเป็นอย่างหนึนั่นแปลว่า เราขาดค c แนนนิสิตเราตัวเหตายเัว่าตายนุ่มเป็นขั้นสมมุติตายเยอะที่จะมาตามเตือเตียงแล้วมีอะไรเตตาผมวไม่ดือผมรไปเอาไม่ได้ว่าอะไรนฟันหลังเงี้ยเรื่องสะดวกขั้วตัวไม่อะไรเพาว่าเขาเป็นเรา จะเป็นอะไรแต่จิตใจที่มีที่แก่ยาแยบไม่มีอุบายทำยาไม่มีธรรมะตรงนี้ต้อนใจควรเล่ลุไปไหว้จิ้งไหว้ไทรไหวหมุนไหวข้าวไหวช่วยไหวงนั้นหแงนี้เลยเกิดบะนะจิตเกิดที่เหลืเกิดป็นหาเสิดราคะเสียเราเสียเท่าเสียตนเสตัว ก้อนนักยินงดีเหตุผลต่างๆเพราะใจยังไม่ถึงสายพัดเกียนตามเป็นสิ่งฉะนั้นท่นทานจึงสอนไม่พิจา้มาเรียนทั้งสายเหยียบายลงไปเท่าไรใจเสยระแสบ่ อ, อนเกี่ยวพันทิงข้อไ่พจารณ่เรียนเหยียบาย รักัอนในบละเรื่องท้องตายได้เจนาเร่ตายไม่ิดท่อทำปวมันจะมีมาจากีไหทําโลกมันจะมีมาจากที่ไหนเพราะแม่จะตายท้งตัวกพยังมียึดเตียอื่นภายนอกมันจะยึดถืมาทาไหมนยยึดถือืออะไรบอกคนที่ลงตายนี่แหละเิดความโลภความโสความหลง เกิดมาจากที่อนภาหลงตายทุกดนน้อแดางเป็นผาเป็นขันละวาง่อยไปตามธรรมชาติของมันแย่ไปจากในจิตในใจทั้งตัวยึรอต่างๆที่เกิดมาเนี่ยหรืี่เกิดกันเถอะจะไม่มีในดวงจิตุุขจิตนาลอยแดดัายในละใลถอนไปจากเนท้องตายเลี่ยจะมีความ เม่อจดตท่องไมมีการสะสมอารมณ์สัญญาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะตายพวกเราไม่มีมีแต่สมมติเราว่าเราว่าหยปากเขาโทกทมมติไม่ใชอะไรคนที่อยู่กัวทัวสมมตเราจะไปโจรไปเหลียดอะไรก็รับเพราะเราที่จน้อยพวกเราแยบถายลงไปอย่างเพราะเราปาดปั้เสร เลี้ยงภากอไปเลี้ยมีความเบาทวามกรบบะเราหนักเราหน่วงเราเป็นเยอะปยุเลี่ยงเขาตายอทิตจเจรนาหยทายเชียนคอแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลี่ยงเขาตายใจต่ไม่เอาเขียรแจกสพอให้ที่เจรเป็นตัวที่เจรนาเพราะเลียไดเยอะ มันข <Yes. S 1> ้ามอยู่สายไปด้สายก็แค่ว่าสายส่วนั้นมันมีเป็นที่เป็นไ่นีอะไรในสายอะไรหรอที่มันเห็นมันจะเห็นเห็นในตัวก้อนกราจะพอนารีาเป็นของและเป็นนามธรรมโดยปกติ ถว่าจิดพอเพิขึ้นคนทั่วไปกเข้าใจว่าผิดแต่คนที่ไนปฏิบัติทำละเอียดออกไปื่อมไม่เห็นผิดเพราะเตุใดก็รปัญญายังไม่ละเอียดไม่เห็นเตุนั้นจึงรักษาจิตเลยกาคิดคุ้มขไปตามปัญญาลงส่ใหาผู้ศึกระเพื่ปฏิบัติธรรม ยังถึงต่อว่าปัญญาของตัวละเอียดจรงจังาไปเรื่องจิตนั้นถึงจะเป็นนามัสการปัญญาผู้ที่เจราเป็นนามัสารเมอเข้ากันเหตุกันแก้ไขกันออกจากทางจิตข้อเส้นต่างๆเราเรียนจากรู้จักว่ามีจิตเท่านั้นจะ่ไม่เคย็จิตของตัวเลย แต่เกกระทั่งวันนี้หรืจะจนกระทั่งวันตาก็เป็นได้เพราาติดองรวมมันจะสงบมันคะละเอียดทางด้านการปิบจะเลยเกิดมหลุดความหลงความเพความเพลินในเชื่อธรมอทธเจ้าทีรวมพจจะเขียน เรื่ัเรื่อง้องจิตตัวนี้ก็เป็นอย่างไรอีกสองฝูงอีกที่ไม่เห็นในใเป็นขอครับพอเป็นขออเขาได้เสียเป็นเเราไม่ได้ได้เสียกับเขาพวกเราควรฝึกอบรมควรจะเนร้อนตัวอย่างไรเนอกจิ่ของเราเอจะฝึกจะอรมจะเรนร้อนตัวฝึกตัวเขาตัวได้แค่น้แหละ โลกิได้ยุ่งเยลังบ่าเต้นฟุตขนาดใหญ่ใจใของเราคือติดได้รวมได้มันมีการก่เกี่ยวปรับเือท้งโลกกับบุญบายุ่งเหยิงขนาดไหนใจของเรามีความเบาความสบายใจของเราหนุ่เท้าเบือท้องโลกท้อกระถางป่อยวางรัดขดได้เย็นสบายอยู่ทุกการทุกเวลา มันมีการเถี่ยวการเร่งต้นอื่นศาตร์อื่นกับโลกทำลายโลกถึงมีอยู่ในจิตในจิตในยึดถือจึดท่องหมดไปแล้วโลกอื่นมันก็หมดไปเองอย่นงนี้โลกใดที่จะทาจิตในจิตท่องต่อไปเพราะภาพนหม่เป็นอย่างไรก็ผาดลงกส้าบนรลกพอจิตในจิตก็ โลสสักครั้งใการจุดอามสิฝึกใจหยาดไปหาละเอียดฝึกไปฝึกไปฝึดใจแต่ล่เอียดเข้าไปสบายเข้าไปเบาเข้าไปก่อนคลเข้าไปไม่เรียบเรืองที่สองหนึ่งไม่มีสองถามสมมติ อะไรจะไปผิดพลาดหรื อ, อ, อาทอดกระทำไปถึงความบริสุทธิ์ใหม่นี้ท่านจึงตัดิ้งสายของผ่านด้วยเชื่อมันว่าชนิดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรอื่นที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้แจะทําไปเหนื่จินแสนสี่จะทำบริสุทธิ์อันนี้มีเส้นเหมือนละลามบริสุทธิ์นี้จะเกี่ยวพันกัเรื่อง ที่เราขอมาแล้วอีกก็ไม่มเป็นปดญหความบริสุิ์เป็นบริสุทธิ์อย่างน้การงแต่วันรู้จนกระทั่งบรรตายอย่างนี้างถ้าที่มมีปั้นเถ อ, อะไรอีกแต่ที่กล่องในใจหรือนการติดการอุม้มติถึงที่ตุดปุกบ่ันจะเฉ็น่อย่างนี้แลว แต่ทใจตวเองอยู่หลังการที่ประบัติศาได้จะเป็นเห็นเหยู่ออเพราะอาศัยถึกอบรมเลื่อยไปไม่คอยหลังนี่ใช้องแน่บางบันธิยานนีจะมีอุปสรรคอะไรเสิดข้เราก็จะตกฝ่าฟันเกี่ยวกามุดตันของใจมันจะเกิดขึ้นในเรื่องอะไร จะพิเรน่าแก้ไขเือไปอย่แบบน้เห็นอยากทำบริสุทธิ์นเป็นเรืองสัมพันไปยื่นขั่วไปในมีอะไรที่จะพัันยิ่งกว่าทำบริสุทธิ์งใจทางอาชีพยัดั้องอะไรที่ว่าจะถึงทำบริสุทธิ์ในแบบ เรจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคติดติดตดของที่เราน่อนปอยวางในอารมณ์สัญญาติดติดปูทิศต่างๆแคให้เขาไปติดติดแล้วทำปฏิบัติกามติดติดพูแล้วตอนมีเรื่องที่จะยืดยาวอลยเพราะควา เป็นพอใจผูกกับปฏิบัติเ่ยวพูดทงทำสองทาก็พอใจทำาคือปฏิบัติลถ้าฝึกปฏิบัติไม่ได้จะทั้งดีแต่ว่าเพิ่งกระทั่งรันตายก็ไม่พอใจเยือของผีเราเป็นมีเชั้รผีผีตัวของคัวไม่เห็นเลยร้เพราะอื่จะเหมาะให้อยู่้เห็น พอเห็นเลยว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติตัวเองนราจะรู้จะเข้าใจมันจะเบ่งต้นจนอาวสานมีความบริสุทธิ์ของใจการคุดสมบูรณ์ทางธรรมะเป็อนอย่างนี้มีทางสิงสุดเมื่อทัง้งโลกแล้วไม่มีทางสงสุดจะพูดใจเท่าไรจะยิงใจเท่าไร แต่ีพราะีชาจะมีการจบการสิเนเหมือนตัวเหมือนกนจะมีการจบการคิดหมืนตัวอยู่ตลอดเวลาคือแบบสารลรวัตหรือว่าแระจักราะจิตใจมันหมือนช่อแล้วก so, like ็เกลียดชังเรื่อยไปทั้งเตาเนี่ยหมืนตัวไปอย่างวันคืนวันมืดและตอนสว่างงแล้วก็มืดอู่อย่าง นั่งหลงดีแบบนี้ทำไปถึงทยุดตัวหมดเรื่องสตั่งเหมืกานวัดซึ่งเดินไ่าที่จะขอบเขาทำทำบริสุทธิ์นให้ดีเดนหรือให้เจาหมมันหนื่าเรียกวามสุกแต่สมมติอันหนึ่งเป็นพวกเรา ทุกคนนักปฏิบัติอยากะรู้แต่เรียนถ้าเรียเสร็แล้ผมม่มปัญหาอะไรทำเป็นอย่างนี้จะประพัดใจของตัวผู้ปฏิบัติเพราะผูเจ้าบรนสุทธิ์อย่างไรอะไรมาแล้วเหมือนแต่ตะกอนสิเราเลยเลยเย็นชัเป็นอย่างไรเราจะใจเพื่อทํารมบริสุทธิ์ของตัว เดี๋ยวนต้องพูดตั้งใจจริงว่าผู้ใดที่ทรผู้นั้นเห็นเราระถามเพือจนิยามวามรู้สึอย่างนี้อันนี้ตัวเองส่วนอื่ถึงท่ากจรต้องนิยางนันเป็สนาดไหนดีโอหน่วยระยะก็ความรสุกที่ท่านเห็นท่านรู้เหมือนกับความรูสุกของเราที่เห็นอเปล่าก็ยองมีการต้องใส่ คามบริสุทธิ์ต้องขั้นและคามบริสุทธิ์ต้องรำเกิดที่แตกต่างกันส่วนความยืดหยุ่นกอาจจต่างๆไปเหมือนตั้งบางท่านี้ทําจว่าชนะกันหมบยืเหยีดเกิดสีหยดไปต่างๆนานาบางท่านคือมีอำนาจว่าชนะส่วนอีแต่ทําบริสุทธิ์ขอทานเป็นอย่างไรท่าเข้าใจรับเก่ ในหนึ่งนส่วนภายูนส่วนภายนอคท่านกรณ์ความด่เพราะทางคํามใส่ของเขาเขาพูดเจ้าอย่างที่ต้องทำโดยทางคำนี้ปกคืออาสวษัยายามที่ทำอาสวะที่หนึ่งใหหมดไปที่หนึ่งนั่นแหละเป็นยามที่ต้องทำกว่ายามขวบไปเรื่องอืนเป็นสิ่งยอดเราจะเป็นผู้หญิง นีหมายถึงอะไรต่อตามพราะในใจของเราบริสุทธิ์เพราะในมีวิมุขทำอาชีวที่เหนื่อยหมดไปเป็นเพียงพอแล้วก็ไปดูต้องสืบกาต่างอันต่างดูความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนอะเน้ยสอนต่ไปอีกหนึ่เรียนสอนไปดูช่วงไปส่วนอื่น เจ้าไปไหนงจ้อไปไหนไปติดที่ไหนมันต้องที่ไหนละวันเดือนไปผลที่ดกไม่กระดูดในการเปลี่ยนพลิยานการเปลียนคนมือถือติดกัศรถรถกับติ ไม่ไน <departed. |mt|> er. si, ้ริงไม่ใช่ว่าเราหมดศิษย์คือเรามีจิษย์ทุกคนทามาทบริสุทธิ์ศิษย์พวก้ก็จะกล่าวไว้ไม่ใช่มอบให้ต่บางคนต่างมีศิษย์เหมือนกับสมบัติของโลกปุถุณีจะถือเปัญญาก่อนหน้านไม่ใช่บัติ เ็นของู้ก็มาเป็ของผู้ชายเรียนเท่ากับองผัวไปใช้กันยากตลาดก็ได้เงินสมบัติของคนนั้นทำมาทำสายสอนทั้งคู่ได้เจ้าของเนางทำเงินหมองไดเป็นสบัตของสารโลกทั่วไปถูกอกจากนามาชำระต่างๆใดุปากโล่จากหัวแม่ที่ทำบริกิไป ใานโลกไป่าทางตามู um, ่หวังและมีความสุขวันนี้ไปจากโลกอย่างดีใส่ใบกนไทยบกนคนผู้ทีมีิปัญญาคนเก็นที่เจรนานคนล้ายหลายต่างตัวอยว่าเรามีสิทุก้คนที่จิบทุกปปิดสบัใบใสเป็นพภะธาตุ คนที่ ม, มีคิสจะตจะระหนูความมีเนื้องกันในทางํำหรับทำาหากาวันคนที่มีนิสิตจะตระหนูคนที่ ม, มีความนหนาเนอายุย่งางมาถึงเจ็ดประบเมื่อปี้นึ่งขนาดไหนก็เลยสามารถที่จะทาใจบริสุทธได้คนที่ข้า ดีดามันด่าทํารลายงวพอที่จะตบขนาดไหนตัวมมีวันเวลาที่จะได้ความควาสกที่สัพพะพัสสัตติััตติสุทควรจะอาจดีเด็ี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพพะ้ัสสัตติสัตติสุทควรที่จะเกี่กับตัว พยายามอยู่นะต้องมีความพยายามที่จะแต่งให้ยามของิตของใจอาหายังไม่ถึงอาจทำเหรอพยายามเอาะางชิดตงกำหนดติตใจมีนโอกาสเนาะโดยส่วนใหญ่การที่จิตทางนั้นมาทิดอยู่เป็นไปพร้อมอยู่าวนาอยู่ แต่จิตใจก็เลยดีลปลอด่ยครับอดยทันาต่แล้วจิตใจที่เราเกี่อใจจากการละามขการดูแลคนเทพบุรจจดอนไว้เลยเราต้อปฏิบัติาอย่างนานเชื่อใจดีทนี้ก็ถือเป็นสองคือเป็นการสะทารื่องสะทายเนี่ยเอ๋เอ๋พโสดาเนี่ยเป็ิต ทางน่าตางๆคนที่มาที่ท่าดื่เหลือแต่เราผู้ที่เบดื่มเก็บเทียงก็บไว้เราได้เขาติดหล่หยาแต่พวกเราไ่ได้ที่แบบการมาทำการมาทำขกมมาองค์เป็นเวลาหลายปีนะแต่บคนก็ที่ทำใหม่ๆแต่ทิยงอะไรคนดี่ทำงานทุกปียดต่อเนื่องจะมีรา เาเนี่นรักขวามัเลื่อนอกจิต่าฐานอยู่ประจําจุเลื่อยไปไรก็ลือหาตัวโม่จิตตัวโม่ก็จะเลือายต๋องจเต่อผู้ที่เจ็วันเจ็บเดือนเจ มันเเป็นอย่างนะทำกรรมฐานก็ทำชั้นทำขาดจี๋ๆอย่างตอนนั้นใจติดใจ่เป็นกรรมฐานไม่ปฏิบัติไม่เป็นกรรมฐานเอาความหลดไปหลายชั่วขณะสองขณะเลยเปิดเปิเปิดไปบางีนั่งอยนั้นเป็นเวลหลายาทีหลายชั่วโมง มีพอในอารมณ์เรื่องหรอจนตัดมาห้าตัวหลัเดกเนื่อยน่าไน่ายนอนกันพักกันวันใหม่เอาวั้ต่อไปแดดนั้นอีกไม่ใชนแดบนี้สิ่งราคือเสียเวลาอยู่ถ้าหามันอยู่กับเรื่องทองจายีท่องเรียนท่องจนดีจังไันจะต้องเสื่อมต้องเส้นต่องรู้ ทำเบาสบายจะเกิดเรวมรวมจิตจะเกินคาเบื logic, ่อหน่าทากำลังจะเกิขึ้นเพราะอาศัยทรรมจิต่อน่ายี่เยื่อเยี่อนะายี่เยื่อโหน้าเข้ามาทำรักษาใจรักษาอารมณ์เร่เป็นอย่าง แต่ปิยาภายนอกทําแต่จิตใจสูงไป ท, ทั้งวันเสียเวลาท้าทางที่จะดใจเห็นอาจทําแฉะนั้นมีปฏิบัติกันใหม่สั้งใจทําทิงจังอย่างไรจะสมอะไรจะกำหนดบททาอันนี้แหละมีรอก็ไม่เห็นเสือสั่งวันหนว่าไม่มีรอ ทำเสร็จตามมาผูกไว้ทำโวดมันไปหนักขำการน่่งภาวนาตรงนี้รจ ะ, บบรจะกำหนดอะไรกำหนดอยู่นะเส็จเสร็ในางอารมณ์บางที่ที่พูดทำจริงทำจริงอย่างนี้ จ, ขขจะเป็นคนจริงจากหัวของคุณเป็นเรื่ของ เราทำแต่จิตใจมัูกตไปอะไรทั้งนั้นทำให้เป็นผีก็เสียเลยแหะ้โงกว่าเดิเป็นีก็เสีเลยแหะทำให้เด็กเนทางหัวเราพอเราไปทำผีทำผีแบบวุ่นีเหงวนผีเส้สาตะ้แ่สอนตัว อย่างสอนอะไรหลายอย่างเพื่อจะทำให้ขเรายอมจำดลติดใจของเราลวงไรับความสุขสบายอย่างนี้ปัญญาสอนตัวเรา่ที่เด็ตั้งหามีหลังนั่งคอยยูงต้องมีเวลามีความสุข จะเกิดีจินต้องจิตในใจฉะนั้นทุกท่านมีศาสตร์มีายา ม, มาเป็นอมคจิตใจโยมเนสสอนตัวเยีที่ต่ง า, ตางๆทำคิวทำาิตทุกพระเจ้า ส, าสอนจะเห็นจะเทียน เรียองอาญามันจะมีการสัมผัสเพราะจิตใจได้สัมขัสจิตใจได้รู้อะไรยังไรเช่นเย่่งรู้ก็มีความสงสัยลังเรื่อไปสะิตใจต่คนอี่จะมาุให้เหมือนกันกับทาอาหาลคนอืนเอาไค่ยเชื่เรานทางคนอี่น ี่านอีกตัวหนด่งลงไปอีกอ่านอีกเรื่อยๆจงได้สอบไลถามคนอื่นนการสืุ่ปใจกัอทลองเดียวกันเราเคยได้บับรับการจากคุณจากอาจารย์ที่อ่านตำรับตำลามาขอทุกบททุกบทงานคือพวของเราจะปีจจได้ขอให้ปุจจิไปุ้ดจลงไป รสเขาทำเป็นอย่างไร อ, อย่างต่างจากการฝึกการบงเพ็ญในส่วนความบุดค้นเป็ น, นอย่างไรสบานหักใจเกิดสิจุดสายายนธ์ฉะนั้นการรดับรับฟังธรรมะวันนี้แสดงได้มากมรือวาอย่าลงลำบาก ในสามกิจกรรมในการมีที่แย่นาที่มีความเาเมตตาเมตตา